มากันตั้งแต่สามโมงเช้าสี่โมงเช้าบางคนก็ไม่รู้ว่ามาที่นี่แล้วจะได้ทานข้าเที่ยงไหมแต่เพื่อธรรมะเราก็มาฉะนั้นบัด น, นี้ธรรมาคิดว่าได้เวลาเป็นสี่มงคลยิ่งแล้วก็ขอเปิดการเสวนาครั้งที่สามและขอกราบอาราธนาพระอาจารย์หลวงพ่อปราโมทย์ปราโมชเป็นองค์บรรดาตั้งแต่บัด น, นี้ขอกราบอาราธนากราบพระอาจารย์บอกสชิรัตเมตีแล้ก็ปู่โสมเจริญพร ญาติโยงทั้งหลายท่านไม่ชีสันสนีคุณหญิงละมุนศรีนะคุณหญิงละมุนศรีก็งพ่อมีนัดกันวันที่ยี่สิบแปดจับได้ยี่แปดเดือนนี้แหละทีแรกออยี่บห้ายี่ิบห้ายี่สิบห้าทีแรกคุณหญิงมานิมนต์ก่อนท่านอาจารย์วอ น, นี้อีกหลวงพ่อบอกท่านบอกว่าหลวงพ่อตั้งใจไว้นะว่าออกพรรษาแล้วถึงจะรับนิมนต์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 หลวงพ่อไดเอานักสื่อมาให้สองร้อยเล่มถ้ารู้ว่ามาสองพันเราก็สู้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่บอกนี่ว่ามีเยอะ <c oughs> นะได้ยินว่ามีสองร้อยเอานักสือมาให้สองร้ออริยสัจเป็นธรรมะที่สาคัญที่สุด <c oughs> เราพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ารู้แจ้งอริยสัจแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกละ <c oughs>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 ทุกสมูทัยนิโรธมรรคจบแล้วสอบได้ละทุกเป็นยังไงเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกสมูทัยคือตัณหานีนิโรธนียกระทรวงศึกษายกน้อนไนะปนแปล น, นิโรธว่าตายเราก็นึกตากนั้นนะว่าเราจะเอาเอามรรคนะแต่เราไม่เอานิโรธ <c oughs> นิโรธไม่ได้แปลว่าตายนะไม่อนาถาขนาดนั้นหรอกมรรคมีองค์แปด ฟังเราก็ยากใช่ไหมมีต้ององแปดทํำยังไงจะทําได้ในความเป็นจริงนั้นถ้าทําเป็นเนี่ยอริยามรรคจะเกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเลยแปดตัวเนี่ยไม่ได้เกิดทีละตัวนะถ้าเกิดทีละตัวเรียกว่ามรรคมากนะเพราะฉะนั้นมรรคจริงๆมีหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่มี8ดนั้นมีองค์ประกอบ8ประการเนี่ยต้องค่อยๆฟังนะฟังแล้วเหมือนจะยากจริงๆไม่ยากหรอกขั้นแรกสุดเลย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 แ้วธาตุดินรู้ด้วยใจสัมผัสธาตุดินไม่ได้รู้ด้วยใจนะธาตุดินธาตุไฟความเย็นความร้อนไม่ใช่รู้ด้วยใจรู้ด้วยร่างกายเพราะนั้นอย่างบางคนไม่ทันเจตนานะเขาเคยหัดเจริญสติอยู่เรื่อยๆพอมาอาบน้ําถูสบุ่ปุ๊บรู้สึกเลยตัวนี้ไม่ใช่เราหรือบางคนนอนอยู่พอตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บรู้สึกเลยตัวที่นอนอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราถ้าเจริญสติให้พอนะ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 คนนี้จะอิจฉาคนนี้คนนี้จะอิจฉาคนนี้นะอิจฉากลัวเป็นไหมกังวลเป็นไหมแม้มีสุขรู้จักความสุขไหมรู้จักความทุกข์ไหมนี่รู้จักอยู่แล้วทุกคนรู้จักสภาวะเหล่านี้อยู่แล้วหน้าที่เรานี่ยก็คือคอยรู้สึกไปแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จ้องแค่รู้สึกขณะนี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้สึกรู้สึกเช่นความโกรธกําลังปรากฏอยู่รู้ว่ากําลังโกรธอยู่ ความโลภ ก, กําลังเกิดอยู่รู้ว่าโลภอยู่นะใจลอยไปหลงไปลืมเด้อลื ม, ลมตัวลืมกายลืมใจรู้ว่ากําลังหลงอยูนะ่หัดรู้สึกอย่างนี้หัดรู้สภาวะไปได้วยโกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้หลงก็รู้กดหูฟุ้งซ่านก็รู้นะสงบไม่สงบก็รู้ไปการที่เราหัดรู้สภาวะไปบ่อยๆเนะี่ยถึงจุดหนึ่งจิตจะจําสภาวะได้แม่น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 ลงไปละวดงนั้นถ้าเมื่อไหร่รู้กายรู้ใจได้เถ้ามีสติมีสติก็ไม่มีโมหะขาดสติก็มีโมหะดังนั้นเราต้องคอยคอยหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะสังเกตไห้ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบางคนงงเช่นคนเนี้ยนะกําลังงงอะไรนะมีน้ํามันคนไปที่วัดหลวงพ่อแล้วไป น, นั่งนึกนะสอนอะไรวัดนี้สอนอะไรนะ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 นี่เราจะมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้ขั้นแรกเลยต้องรู้กายรู้ใจให้ได้คือต้องมีสตินั่นเองเงื่อนไขตัวต่อมาที่จะทำให้เราเกิดปัญญาในพระพิธามสอนไม่ชัดเลยสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธินะถ้าปราศจากสมาธิปัญญาจะไม่เกิดนะแต่สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิอย่างที่พวกเราทำกันหรอกเนี่ยโดยเป็นเรื่องน่าตกใจที่สุดเลย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 เอาทุกคนเอาหัวไม่มือคนไหนหัวไม่มือด้วนก็เอาหัวไม่เท้าได้นะลองดูหัวไม่มือเองลองเพ่งลงไปให้จิตลงไปแนบนะรู้สึกไหมนะส่วนใหญ่นะจิตมันไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือรู้สึกไหมยอย่างเนี้ยที่พวกเราชอบทำเอาเวลาไปรู้ลมหายใจอา้าวเลิกดูหัวแม่มือหันไปดูลมหายใจใหม่หันไปรู้ลมหายใจเข้า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 นี่เราค่อยค่อยดูไปเราจะเห็นในในกายในใจนี้มีแต่ทุกข์ล้นๆ้นเลยเบื้องต้นยังเห็นไม่ได้ขนาดนี้หรอกเราก็ยังเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างดูไปเรื่อยๆนะจนบนรดแจ้งขึ้นมาจริงๆแลกายนี้ทุกข์ล้นๆ้นจะสลัดคืนกายให้โลกไปไม่ยึดกายละันรดเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ล้นล้นจะสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตละ<ม>พวกเรายัางยึดถือเพราะว่าเรายัางเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง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 มีสติระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้จงใจเพ่งจ้องถ้าจงใจเพ่งจ้องไม่เรียกว่าสติใช้ไม่ได้ไม่ใช่สติที่ใช้ทําสติปัฏฐานจริงเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะกรรมาฐา น, นให้สติเป็นแค่ระลึกเช่นใจเราไหลไปเรารู้สึกใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้สึกคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆแต่อไปเราก็สังเกตอีกอันหนึ่งจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราชอบไหลไปไหลมาะ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 มันแยกกันหมดเลยขันห้านี่แหละมันกระจายตัวออกไปนะที่เรียกว่านำรูปปริเฉทญาณไม่ใช่แค่ว่าหายใจออกกับหายใจเข้ า, ขาคนละอนันแล้วบอกนำรูปปริเฉทญาณไอ้นั่นไม่แยกรูปกับนามนะอย่างถ้าดูหายใจออกก็อันนึงหายใจเข้าอันนึ่งนั่นแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามนะแยกรูปกับนามในจิตมันจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้ตื่นขึ้นมาเพราะงั้นที่ท่านอาจารย์ท่านพูดว่าให้ตื่นตื่นตัวนี้สําคัญมากนะ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 ทันทีที่หลงไปสมมติว่าเห็นสาวเดินมานะเห mm ็น hmm. คุณสืบสักเห็นสาวเดินมาใจวิ่งจุดไปที่เับสติระลึกปั๊บเลยราคะขาดสะพั้นเลยนี่ราคานะแมネจเมนตะ mm hmm. เห็นศัตรูเดินมาหรือเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวกลัวสติระลึกปั๊บขาดปั๊บเลยนี่โทสะแมเนจเมนต์ hmm. แล้วทํายังไงดีหมาบ้าวิ่งมาหลบนะ mm hmm. ชาวพุทธต้องฉลาดนะ ไม่ใช่เอะถ้าไม่มีเวรกรรมต่อกันมันคงไม่กัดนั่นแหละกําลังทํากรรมใหม่คือโงนะ่เพราะงั้นมันกัดเอานะงั้นต้องมีสติมีปัญญาหลบหลีกให้ทันนะได้นะค่อยดูไปนะคอยรู้สึกไปรู้สึกแปต่อมาพอมันตัดครั้งที่สามตรงที่มันตัดครั้งที่สามนี่มันจะพลิกเลยจะพลิกเลยเราจะไม่กลับมาสู่โลกอย่างนี้อีกแล้วถ้าใจจะไม่ไม่ปัวพันด้วยกรรมมันจะเห็นว่าอะไรมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์รุนแรงเลย ไม่ใช่กายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอีกต่อไปเป็นทุกข์ล้นๆนะพวกเรายัางไม่เห็นรู้สึกไหมรู้สึกไม้มกายเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยังไม่รู้ความจริงนะยังไม่เห็นความจริงเพราะโมหายังบังอยู่คอยรู้สึกลงไปอีกนะคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆเลยเห็นในยทั้งกายนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยตอนนี้ที่วัดหลวงพ่อที่ไปภาวนากันที่ก็มีเยอะนะขนาดนอนหลับนี่ภาวนากับหลวงพ่อนะสติเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยขนาดนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลย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 ถ้าไม่ยึดถือตรงเนี้ยไม่ยึดถือตัวนี้ก็จะไม่ยึดถือตัวข้างนอกด้วยนะไม่ยึดถือข้างในนี่ก็ไม่ยึดถือข้างนอกในสุดใจก็จะไม่กระเพิ่มกิดขึ้นกระเพิ่มลงล้อผัดศัพท์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากรรมคุณอารมณ์มทั้งหลายนี่ไม่สามารถทําให้ใจเรากระเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงได้เพราะมีปัญญา <c oughs> เห็นความจริงเพราะว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ <c oughs> เห็นไหมปัญญาอย่างนี้ปัญญาระดับนี้เรียกว่าปัญญาปานกลางะเห็นไหมแค่ปานกลางก็ปางตายแล้วนะ <c oughs>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 รู้สึกไหมใจของโยมนิ่งกว่าคนธรรมดาใจที่นิ่งเนี่ยนะมันข่มกิเลสไม่เฉยเฉยมันไม่ทำไม่ไม่ทำให้เกิดปัญญายี่สิบปีแพ้หลวงพ่อหลวงพ่อฝึกติดอยู่อย่างเงี้ยยี่บสอปีน ะ, ะเราต้องปล่อยจิตนะให้มันทํางานไปตามธรรมชาติให้มันกระทบอารมณ์แล้วให้มันก็ทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดา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 ตอนเนี้หลงแล้วรู้สึกไหมนี่แหละหัดรู้ตัวนี้แหละตัวโมหะหลงละนหลงอีกแล้วรู้มไหมเจ้าค่ะเห็นไหมใจใจมันไหลไปมันจะงงไม่มีที่เกาะอ่ามันไหลไหลไหลเอาไงดีบ้างคือะคว่าจะพูดะต่อให้รู้ทันให้รู้ทันว่าใจกําลังแกว่งเที่ยวแสวงหาอยู่เจ้าค่ะะให้รู้ทันสังเกตไหมอยากพูดเมื่อกี้ความอยากพูดมันดันขึ้นมา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 สักว่ารู้สักว่าเห็นเลยจะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลย<ร>มันจะอยู่ห่างๆตลอดเวลาเลยะฝึก<ร>เอานะฝึกเอากราบขอบพระคุณยันซุงเจ้าค่ะแล้วที่นี่เขาจัดระบบยังไงอะ่ะที่จะถามต้องต้องดูว่าเจ้าภาพจะใช้วิธีไหนที่วัดหลวงพ่อเขาก็หลวงพ่อจะเชียร์มีใครอยากจะถามอีกไหมครับมีผมเห็นมือจากข้างหลังตรงกลางและข้างหน้า หลวงพ่อชี้เอาได้เลยครับหลวงพ่อชี้มาตั้งแต่เช้าแล้วหลวงพ่อนั้นเข็ดมากเลยนะเอาบอกยกมือยกคึ่บทั้งห้องเลยเอาว่าไปหลานท่านอาจารย์ประโมทครับกระผมปฏิบัติทางสมถะมานานนะฮะแต่จิตไม่เคยสงบเลยแต่มีความตั้งใจว่าจะภาวนาพุทโธจนตายทางพุทโธพอฟังเพจของหลวงพ่อกับอ่านหนังสือประมาณสักหนึ่งปีแต่ก็ไม่ได้ลงในรายละเอียด แต่เมื่อก่อนเข้าภาษาเราผมก็ลดพิธีลงมากลงมาตั้งใจฟังซีดีหลวงพ่อและอ่านหนังสือเข้าใจเยอะรับปรับพิธีปฏิบัติใหม่ก็มีความก้าวหน้าครับใช่ใ <น S 2> จิตยอมเปลี่ยนไป <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วแต่เดิมเราเพ่งรูปเดียวคือวัตถุประสงค์ของการพุทโธ น, นะที่ผ่านมาเราพุทโธเพื่อให้ใจนิ่งตอนนี้ยอมปรับวิธีใหม่ยอมพุทโธเพื่อจะรู้ทันใจจริงๆไม่ใช่วิธีที่หลวงพ่อสอนนะ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 หลวงรรพ่ันนีส่สอนง่ายนะขยันเยอะอ้าวว่าไ ป, ปสอนรังสรรค์พ่อครับผมปฏิบัติมาก็เลยพักหนึ่งครับพอดีได้แต่ก่อนนี้ชอบวูครับอืมเนี่ยนี่ก็ยังชอบเจ <c oughs> ้าไปเห็นเห็นรน้นเห็นนี่ครับเห็นแสงโน้นแสงนี้ก็ได้เที่ยวหลวงพ่อมาจากทุ่งที่เนี่ยครับก็ปฏิบัติมาก่อนข้าวพรสามหาครับก็เลยได้ไปนั่งคุยกันว่าอาจารย์กชอบติดสมหามาก ผมกเลยตัดสึ้นใจว่าหักดิบมาฮะก็เลยเดินโยงกลมเด็กก็เดินไม่ถูกครั้งแรกครับเดินยังไงไปมาก็เลยเป็นแล้วก็เป็นพ่อบอกว่าลองใจกล้าสักครั้งหนึ่หนาเอาซื้อซื้อนะก็เลยลงไปเลยฮะซื้อเลยพิจาราไปนะอมันเป็นอย่างนี้ก็คือให้รู้ว่าเราโกรธไม่รู้ว่าโกรธให้รู้จักสภาวะความโกรธอย่างนี้หนมเราทํางานทํางานอยู่งานไม่ทันใจเราเราโกรธ รเราโกรธเราใครโง่เราโง่เนี่ยเราโกรธ น, นะครับโกรธให้รู้ของให้รู้สภาวะนะไม่ต้องร บ, บญญนนรญญายกได้อจริงๆแล้วต่อไรมันจะไม่มีเราโกรธจะมีแต่ความโกรธมีแต่จิตมันโกรธแต่ไม่ใช่เราโกรธครับแล้วตอนคืนผมก็ปฏิบัติก็คือเริ่มเข้าศึกษาอริรสตสีอยู่ครับตอนนี้ทุกยังไงครับสมุทัยนี่ร้อมากนียนะก็ปฏิบัติอยู่ผมได้เปิดเว็บไซต์ของ คุปดุล น, นะครับมพ่อด้วยอย่างนั้นก็เลยเปิดประไตรปิฎกด้วยครับก็มาศึกษาดูว่ามีท่อนหนึ่งที่องค์สมุทรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ า, าที่จะท่านไปตัดในใบปวดทของประจ้วิเคราะครับก็ได้ไปอ่านได้ศึกษามาว่ า, าทุกสุขทัยที่รุ่ดมากเนี่ยเป็นมายังไงท่านสอนมาอย่างไรก็ได้ปฏิสังขารมารดูไปนะถ้าแจ้งอริยสัจก็จะแจ้งในธรรมะพ้ทุกข์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 พอปัญญามันเห็นทุกข์แจ่มแจ้งองนี้ความอยากที่จะให้มันเป็นสุขความอยากให้มันพ้นทุกข์ไม่มีทันทีที่ความอยากดับนนะในขณะนั้นนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้า ต, ต่อตาเราเลยครับคือภาวะแห่งความสิ้นตัญหานั้นเองในขณะนั้นแหละอริยามรรคจะเกิดขึ้นเห็นไหมทุกข์จิตของทุกข์สมุทัยนิโรธมั่งนะั้นทําเสร็จในขณะจิตเดียวนั่นแหละเราดีขึวนรู้สึกไหมมีความสุขแล้วเพลินแล้วให้คนอื่นบ้าง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 จากที่พระพุทธองค์ได้ตรัเอาไว้นะคะสิ่งที่เล็กที่สุดในในโลกเนี่ยก็คืออักกากะละปะซึ่งประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็ลักษณะทัสีทีนี้เนี่ยในร่างกายเราก็ประกอบด้วยกายและจิตซึ่งในจิตก็มีเวทนาสัญ ญ, ญาสังขารวิญญาณก็แสดงว่าในในทั้งหมดเนี่ยคือก็ยังลึกลงไปก็คือยังประกอบด้วยอักกากะละปะอยู่ใช่ไหมคะทีนี้อักกากะละปะเนี่ยมันถูกควบคุมด้วย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 ระวงนั่น น, น่ะเลิกซะไอความพยายามมันนั้นนะมันทำให้ฟุ้งซ่านมากขึ้นให้คุณรู้รสภาวะลงปัจจุบันไปได้กิเลสใดๆกำลังปรากฏในขนาดนี้นะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้เฉยๆนะไม่แทรกแซง ร, รู้สึกไหมใจเราดิ้นครอกแคลกอกแคลกอกแคล ร, รู้สึกไหมเห็นไหมยังดูไม่เป็นเห็นไหมสติไม่เกิดนะ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 นี่คุณหัดดูสภาวะอย่างนี้นะความสงสัยผุดขึ้นมาก็รู้ว่าสงสัยนะความโลภความโกรธความหลงอะไรผุดขึ้นมาคุณรู้ไปแล้วสภาวะทั้งหมดนั้นสแสดงใต ร, รักษให้ดูเองเลเนะีนะ่ยงงอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สิว่ากําลังงงงงก็รู้ว่างงนะไม่ใช่งงเราคิดหาคําตอบเพราะคุณเป็นโรคคิดมากไป ห, หัดรู้ให้มากๆนะจะได้ตื่นกิเลสเนี่ยไม่กลัวคนคิดมากจำไหมนะกิเลสกลัวคนที่ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิด คำว่าตื่นนั่นแหละคือคำว่าหลุดออกจากโลกของความคิดหลุดออกจากปัญญัติแล้วมันถึงจะเห็นปรมาจา์ได้เนี่ยหลงไปในปัญญัติอีกแล้วรู้สึกไหมอย่าพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นเพราะ อ, อะไรความพยายามของคุณเนี่ยประกอบด้วยโลภะแล้วคุณไม่เห็นคุณอยากเข้าใจใช่หไหมคุณไม่เห็นความอยากเรียนเอาพี่ทำมาใช่หไหมกิเลสเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรม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 ผมก็ตั้งใจ ก, ก็รู้ว่าเรากำลังตั้งใจ ม, มันก็บางทีมันก็เกิดอาการซึมซึมนะฮะแล้วก็รู้ว่าง่วงก็รู้ว่าง่วงแต่สิ่งที่ผมสงสัยต่อคือเอยอย่างนี้เราจะทำยังไงดีพระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลาไว้แล้ว<ะ>นะไปอ่านเ อ, อนานะมีแปดประการันสุดท้ายเลยคือสีหาสัยยากคือไปนอนนะฮะไปนอน คือต้องแยกให้ออกนะขี้เกียจเนี่ยเป็นกิเลสนะง่วงไม่ใช่กิเลสนะมีความสุขความสุขไม่ใช่กิเลสนะพอใจในความสุขถึงจะเป็นราคานะเราต้องแยกสภาวะให้ชัดนะนนสภาวะใดที่มันไม่ใช่กิเลสเนะี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องไปล่ามันต้องแต่อย่างตอนนี้ไม่ง่วงแล้วครับผมพอคือผมทราบว่ามันมันง่วงแต่มันไม่ควรที่จะไปนอนอมไม่ควรนอนเราก็นั่งนะ่นะ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 มีโมหะให้รู้ฟุ้งซ่านให้รู้หดหูให้รู้นะคุณไม่ใช่มีราคะทำยังไงจะไม่มีมีโทสะทำยังไงจะหายโกรธนะี่คิดจะทำมีควาว่าทำนะไม่ใช่คำ ว, ว่ารู้เวอร์ันคือทำไม่ใช่รู้ไปปรับตัวนะกับซะทำผิดนั่นแหละมันถึงทุกข์อ้าวนู้นคนสุดท้ายใส่แว่นตาหน้าเหมือนนกพวกนั้นะอ้าว่าไป กับนมัสการเจ้าค่ะเมื่อก่อนติสมาธิหลวงพ่อจาได้อยู่ตอนนี้ก็เริ่มออกจากสมาธิมากขึ้นแล้วก็มาเผชิญกับเห็นความทุกข์มากขึ้นเจ้าค่ ะ, ะแล้วก็จะเห็นจิตว่าดิ้นสุดโตง่งนะคะแล้วก็อยากดีเจ้าค่ะแต่จริงๆหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าห้ามทําสมาถะน ะ, ะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูคราภิกสูทั้งหลายทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมาถาะอะไรวิปัสนาเพียงแต่ว่าเราต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง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 ไปไหนไม่รอดอยู่ที่เดิมเห็นไหมเหยียบคันเร่งตลอดก็ไปไม่ไหวคงไปตกสนนตายที่ไหนเสียแข่งเพราะงั้นจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองถึงเวลาที่ควรทำความสงบก็ทำแต่ต้องทำให้เป็นนะวันหลังหลวงพ่อจะจัดคอร์สชวนท่านอาจารย์มาไม่เอาดีกว่าชวนท่านท่านงานเยอะเด <laughs> ี๋ยวจะปล่อยทำเรางานเยอะไปด้วยจัดคอร์สนะฝึกสมาธิบ้าง <laughs>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 ต้องรู้สึกตัวสติจาเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะทำสมถะ ก, ก็ต้องมีสติสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดต่อใจฟุ้งซ่านรู้สึกไห ม, มอา้าวกลับไปรู้หายใจออกสบายๆหาย ใ, หใจเข้ามาสบายๆอย่าน้อมใจใจไหลไปอยู่ที่ลมเป็นส่วนมากไหยออกมาโ น, น่นโน น, นผมยาวๆนั่นอนะ่ะมันบังคับตัวเองอย่าบังคับตัวเองนะ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 ในท้ายที่สุดนี้กระผมก็ขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์ประโมทประโมทชว์เป็นอย่างยิ่งที่เมตตามาเยี่ยมเยือนสถาบันวิมุตติยาลัยพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงธรรมซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจของการจัดสภ า, าทั้งหกครั้งคือทุกๆเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าขี่ม้าเรียบค่ายนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตรง